คาถาประทับใจลูกรักอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงคําพูดข้างต้นเนี่ยเป็นคาถามหาสเสน่ห์สำหรับสร้างความประทับใจแก่คนทั่วไปเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทํางานที่ไหนทํางานกับใครจะนานหรือไม่นานก็ตามทีสิ่งแรกที่เราควรทํา คือสร้างความประทับใจไว้อย่าสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอย่าสร้างความหนักใจไว้ให้คนที่เราไปพักผ่อนหรือไปทำงานด้วยถ้าเราสร้างความประทับใจไว้ให้เขาได้เราก็จะอยู่อย่างสงบจะมีแต่คนรักมีแต่มิตรไม่มีศัตรูตรงกันข้ามถ้าเราสร้างความหนักใจไว้ให้เขาก็จะมีแต่คนรังเกียจอยู่ไม่เป็นสุข วิธีสร้างความประทับใจก็คือความเสียสละไม่เห็นแก่ได้พูดจาให้ดีเข้าไว้ช่วยเหลือเขาเป็นกันเองทุกคนไม่ถือเนื้อถือตัวสงเง่ยม่เจียมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรักษาสมบัติผู้ดีเมื่อทำได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายลูกทำงานที่ไหนก็ทำงานได้สบายถึงคราวจะต้องจากกัน เขาก็จะอะไรและคิดถึงเข้าทำนองอยู่เขาก็รักจากเขาก็คิดถึงสำคัญก็คือเราจะได้พวกได้เพื่อนที่มีความจริงใจมากขึ้นหากว่าเราเป็นคนใจแคบไม่เสียสละเราก็จะอยู่อย่างลำบากขาดพวกขาดเพื่อนที่แท้จำคาถามหาสเสน่ห์ข้างต้นไว้แล้วทำให้ได้ เราก็จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปโดยปริยายความถือตัวลูกรักความถือตัวนั้นหมายถึงความคิดเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นหรือเอาคนอื่นมาเปรียบกับตัว ความถือตัวนั้นมีสามประการคือคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นและคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นความคิดสามประการนี้ล้วนไม่ดีทั้งสิ้นเพราะถ้าคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นก็จะทําให้เกิดความทนงตัวว่าคนอื่นสู้ตัวไม่ได้ทำให้เกิดความลำพองใจทาอะไรก็ตามใจชอบ แสดงกิริยาท่าทางดูถูกเหยียดหยามคนที่ด้อยกว่ากลายเป็นคนหญิงย่าโสได้ง่ายถ้าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอื่นเด่นกว่าตัวทำให้เกิดความห่อเหี่ยวใจเกิดความทอดแท้ไม่กระตือรือร้นปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเหมือนสวะลอยน้าทำให้เขาดูถูกเอาได้ ถ้าคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นจะทำให้เกิดความลำพองใจไม่เกรงใจใครไม่อ่อนน้อมให้กับใครและไม่ยอมฟังเสียงใครเพราะถือตัวเองว่าตัวเองเทียบเท่าคนอื่นและคนอื่นก็เหมือนกับตัวคนอื่นไม่เหนือไปกว่าตัวความคิดทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่ดีทั้งสิ้น ในทางที่ถูกคนเราควรเคารพเชื่อฟังอ่อนน้อมยินดีและปฏิบัติต่อกันไปตามธรรมเนียมที่เหมาะสมถึงคราวเคารพก็เคารพถึงคราวอ่อนน้อมก็อ่อนน้อมถึงคราวยินยอมก็ยินยอมถึงคราวแข็งก็แข็งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคลเป็นดีที่สุดคนที่ฉลาดในการปรับตัว ท่านเรียกว่าเป็นผู้ทําตัวได้เหมาะสมย่อมผูกใจคนรอบข้างไว้ได้คนที่รักเราจริงลูกรักคนที่รักเราจริงหรือไม่จริงนั้นอย่าดูแค่คำพูดของเขาคำพูดเป็นเพียงลมปากซึ่งอาจพันผวนเปลี่ยนแปลงได้ คนที่พร่มว่ารักเราเห็นอกเห็นใจเราหรือว่าเคารพนับถือเรานั้นอาจเป็นเพียงลมปากหรือว่ายาหอมที่โชยมาให้เราชื่นใจเท่านั้นใจจริงเ็าอาจจะเกลียดเราก็ได้แต่เพื่อประโยชน์บางอย่างจึงทำให้เขาพูดหรือว่าแสดงอย่างนั้นคนที่ไม่เคยพูดว่ารักเราเลยสักครั้งไม่เคยชมเราเลยสักหนเขาอาจจะเป็นคนที่รักเราจริง ซื่อสัตย์ต่อเราจริงก็ได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่บอกว่ารักเราไม่ได้รักเราจริงหรือคนที่ไม่เคยบอกว่ารักเราจะรักเราจริงเพียงต้องการบอกให้รู้ว่าใครจะรักเราหรือไม่รักเรามิใช่อยู่ที่คําพูดมิใช่ดูกันแค่ลมปากแต่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การแสดงออกของเขาด้วย ต้องดูควบคู่กันไปทั้งคําพูดและก็การกระทําคนที่ดีต่อเราทั้งต่อหน้าและลับหลังคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราปกป้องเราและยกย่องเราทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละเรียกว่ารักเราจริงเขาจะพูดว่ารักเราหรือไม่พูดไม่สําคัญส่วนคนที่ดีต่อหน้าเรา รับหลังนินทาเราไม่สนับสนุนยกย่องเราจริงการพูดจาดีต่อเราเพียงเพื่อใช้เราประเภทปากอย่างใจอย่างปากกับใจไม่ตรงกันนั่นแหละคือผู้ไม่รักเราจริงถึงปากจะบอกว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้ในเรื่องนี้เราต้องระวังใจของตัวเราเอง อย่าหลงไหลได้ปลื้มไปกับคารมณ์ของใครง่ายๆจะเสียแรงและเสียใจไปเปล่าๆเห็นคงจากเป็นดอกบัวลูกรักลูกคงเคยได้ยินคำว่าเห็นคงจากเป็นดอกบัวมาบ้าง คำนี้มาจากตำนานทางพระพุทธศาสนาความเดิมก็มีอยู่ว่ามีชายหนุ่มคนนึงอนุญาตแม่ไปค้าขายทางทะเลแม่ไม่อนุญาตเห็นว่าทะเลมีอันตรายจึงห้ามปรามเขาไม่พอใจจนถึงผลักแม่กระเด็นไปแล้วก็ออกเดินทางต่อมาเรือที่เขาโดยสารไปนั้นเกิดอับปางลงเขาว่ายน้ําไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง เกาะแห่งนั้นเป็นเกาะนารกเป็นสถานที่ลงโทษคนที่ทุบตีพ่อแม่สัตว์นรกบนเกาะนั้นถูกกองจากหมุนบทศีรษะให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็เกิดใหม่เรื่อยไปชายผู้นั้นเห็นกองจากนั้นเป็นดอกบัวที่สวยงามไปด้บาปกรรมที่ทําร้ายแม่จึงเข้าไปขอกงจากจากสัตว์นรกผู้หนึ่งสัตว์นรกนั้นคิดว่า คนนี้คงจะทุบตีพ่อแม่มาเหมือนกับตนจึงได้เห็นกงจากเป็นดอกบัวและจะมารับโทษต่อจากตนจึงยกกงจากให้เขาเขาถูกกงจากบทศีษะจึงรู้ว่าเป็นกงจากแต่มันก็สายเสียแล้วคนไทยเรารู้เรื่องนี้ดีจึงสอนกันมาแต่โบราณว่าอย่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวหืออย่าเป็นคนดื้อรัน้น ถือแต่ความเห็นของตัวใครว่าใครสอนไม่ฟังแม้ผู้สอนจะเป็นพ่อเป็นแม่อย่าเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกคนที่เห็นคงจากเป็นดอกบัวนั้นจะเห็นผิดไปจากคนดีทั่วไปคนทั่วไปเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ถูกเป็นเรื่องเสียหายแต่เขากลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นเรื่องถูกไม่เสียหายอะไรความเห็นของคนทั่วไปไม่ถูกแล้วก็หลงตัวทำเข้ากว่าจะรู้ว่าตัวเองเห็นผิดก็มักจะสายแก้ตัวไม่ได้แล้วคำโบราณนี้จึงมักมีค่ายิ่งแล้วละ่ะลูกเอ้ย ช้าเสียการนานเสียกิจลูกรักคำว่าช้าเสียการนานเสียกิจเป็นคำสำหรับเตือนใจคนทำงานคืองานบางอย่างต้องรีบทำช้าไม่ได้ต้องทำแข่งกับเวลาหรือต้องใช้เวลาไม่มากช้าไปก็จะไม่ทันการหรือทำให้เกิดความเสียหายได้ถ้าทำพอดีกับเวลาก็จะสำเร็จเป็นผลดี เช่นการเก็บเกี่ยวพืชผลต้องเร่งรีบทำตามกำหนดได้อายุได้ขนาดแล้วหรือสุกแล้วก็ต้องรีบจัดการเก็บเกี่ยวให้เสร็จโดยเร็วปล่อยทิ้งไว้เกินเวลาไปก็จะเน่าเสียร่วงหล่นไปโดยไม่ได้ประโยชน์แม้งานอื่นก็ต้องเร่งรีบเช่นเดียวกันที่กล่าวมันนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้จักใช้เวลาให้เหมาะกับงานให้รู้จักคุณค่าของเวลา บริหารเวลาให้ดีเพราะเวลามีค่าในทำนองเดียวกันก็เพื่อให้รู้จักการงานที่ทาด้วยว่าควรใช้เวลาทำเท่าไหร่กะให้ถูกหรือให้ใกล้เคียงที่สุดจะได้ไม่เสียเวลาเกินความจำเป็นผู้ที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับเวลาได้ย่อมได้เปรียบคนอื่นมากงานอย่างเดียวกันทำพร้อมกัน บางคนทําเสร็จเร็วบางคนทําเสร็จช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริหารเวลานี่แหละขอยย้ำให้ลูกเห็นความสําคัญของเวลาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเงินทองนั้นผ่านมือไปแล้วอาจเรียกคืนหรือหาใหม่ได้ส่วนเวลานั้นผ่านไปแล้วผ่านเลยเรียกคืนมาไม่ได้แม้จะมีวันเวลาต่อไปก็เป็นวันเวลาใหม่ ซึ่งควรจะเป็นเวลาทำงานอย่างอื่นแต่ก็ยังต้องใช้เวลานั้นไปทำงานเก่าอยู่ชื่อว่าขาดทุนเวลาไปแล้วล่ะลูกช้าเป็นการนานเป็นคุณลูกรักมีอีกคํานึงสาหรับเตือนใจคนทางานคือคําว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณ ซึ่งคู่กับคาว่าช้าเสียการนานเสียเกิจดังได้บอกลูกไว้แล้วว่าคำว่าช้าเป็นการนานเป็นคนนี้หมายความว่างานบางอย่างจะต้องทำด้วยความรอบคอบต้องทำไปตามระยะเวลาจะเร่งรีบทำไม่ได้เพราะถ้ารีบเร่งอาจจะทำให้ผิดพลาดบกพร่องหรือว่าล้มเหลวได้ต้องทาแบบใจเย็น ต้องรอเวลาด้วยว่างานบางอย่างต้องรอเวลาขึ้นอยู่กับเวลามีการกำหนดเวลาเข้าไว้เช่นในยามเจ็บป่วยหมอบอกว่าต้องพักฟื้นห้ามทำงานหนักห้ามเดินทางเท่านั้นเท่านี้วันต้องพักต้องหยุดไปตามนั้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตอนนี้สบายดีขึ้นสามารถทำได้เดินทางได้ ก็ต้องรอจนกว่าจะครบวันตามที่หมอกำหนดหากว่าเราใจร้อนขืนไปทำงานหนักหรือเดินทางเข้าอาจเกิดความเสียหายแก่สุขภาพได้ความเจ็บไข้กลับมาจะรุนแรงกว่าเก่าก็ได้รอสักหน่อยนึงช้าไปสักนิดคงไม่ทำให้เสียการหรือเกิดโทษตรงกันข้ามกลับทำให้ได้การ คือเกิดคุณแก่ตัวเองคือทำให้หายโรคได้เด็ดขาดด้วยเหตุนี้ท่านจึงเตือนสติเตือนใจไว้ว่าถึงคราวช้าก็ต้องช้าถึงคราวรอก็ต้องรอถึงคราวเร่งก็ต้องเร่งในบางครั้งเราอาจเกิดความราคาญเมื่อเห็นคนอื่นทางานอืดอาดยืดยาดไม่ทันใจแต่เราอาจไม่ทราบว่างานที่กาลังทาอยู่นั้น เป็นงานที่ต้องใช้เวลาเพื่อพิจารณาเพื่อไตรตรองให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเขาจึงทำอย่างใจเย็นด้วยถือคติว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณน่าเอาอย่างจะด้วยซ้ำไปนะลูกใจงาม ลูกรักคนเราถึงรูปจะไม่งามก็อย่าเสียใจเพราะรูปร่างนั้นเป็นเรื่องที่เหนืออำนาจของเราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากถึงจะตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็เอาดีตามที่ต้องการไม่ได้เมื่อรูปไม่งามเราก็สามารถสร้างงามอีกอย่างหนึง่งขึ้นมาทดแทนได้คือสร้างใจงามเพราะใจงามมีสองอย่าง คืองามนอกกับงามในงามนอกคือรูปงามงามในคือใจงามรูปงามเป็นเรื่องของบุญเก่าใจงามเป็นเรื่องของบุญใหม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เองเกิดเป็นคนหากมีรูปไม่งามก็อย่าเป็นคนใจไม่งามตามไปด้วยจะไม่มีดีอะไรเลย ทำตัวให้เป็นคนใจงามเข้าไว้ก่อนนั่นแหละดีคนใจงามคือคนที่มีน้ำใจมีจิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ถือสาเมื่อผู้อื่นผิดพลาดไม่โกรธเคืองเมื่อถูกคนอื่นล่วงเกินไม่เก็บเรื่องไร้สาระมาเป็นอารมณ์ปล่อยวางได้ไม่คิดอาฆาตมาตร้าย และไม่นำเรื่องไม่ดีของคนอื่นมานินทาว่าร้ายให้เขาเสียหายลราวโดยรวมก็คือเป็นคนมีความละอายใจเกรงกลัวบาปมีความอดทนเสีงเง่ยมเจียมใจคนใจงามเช่นนี้แม้ว่ารูปร่างจะไม่งามแม้จะยศน้อยด้อยสักก็เป็นคนงามเป็นคนเด่นพอที่จะคบหาสมาคมและเคารพนับถือได้สนิทใจ ขอให้ลูกรู้ไว้ว่ารูปงามนั้นดึงดูดตาใจงามดึงดูดจิตรูปงามอยู่ได้ชั่วคราวใจงามอยู่ได้ตลอดกาลทั้งนี้ก็เพื่อได้ปรับแต่งตัวเองให้เป็นคนใจงามควบคู่กันไปกับแต่งให้รูปงามนะลูก ความจงรักภักดีลูกรักเมื่อลูกเป็นข้าราชการสิ่งแรกที่ลูกควรปลูกฝังให้แน่นแฟน้นคือความจงรักภักดีต่อเจ้านายข้อนี้สำคัญมากความซื่อสัตย์ความซื่อตรงเป็นคุณธรรมที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการต้องมีเป็นประจำอยู่แล้วข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อตรง นับว่าเป็นข้าราชการที่ดีแต่ถ้ามีความจงรักภักดีต่อเจ้านายด้วยก็ยิ่งประเสริฐมากขึ้นอันความซื่อสัตย์ซื่อตรงนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่เป็นเรื่องที่จะต้องมีต้องทำแต่ความจงรักภักดีเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากหน้าที่และก็บังคับกันให้มีไม่ได้ ความจงรักภักดีเกิดจากจิตใจที่ศรัทธาและรักเคารพเจ้านายด้วยใจจริงแล้วมีความจงรักภักดีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อเจ้านายด้วยใจจริงอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือไปจากทำตามหน้าที่ดังนั้นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงและความจงรักภักดีต่อเจ้านายนั้น นับได้ว่าเป็นลูกน้องที่ประเสริฐหาไม่ได้ง่ายๆนักเมื่อลูกทำงานอยู่กับใครหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีมีความเมตตาการุณาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถืออย่างเต็มภาคภูมิก็ขอให้ลูกซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็จงรักภักดียอมมอบกายปฏิบัติหน้าที่รับใช้เขาให้ดีเถอะแล้วลูกจะไม่ผิดหวัง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจงรักภักดีนั้นจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะได้รับการยกย่องและสนับสนุนให้สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเวนกรรมมีจริงลูกรักเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นลูกอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด และอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ล้อเล่นกันได้ง่ายๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อถึงคราวแล้วเวรกรรมนั้นจะให้ผลทันทีเหมือนยาพิษนะลูกคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามดื่มกินเข้าไปแล้วก็ต้องตายทั้งสิ้นเวรกรรมเป็นเรื่องที่เราทําไว้จงใจบ้างไม่จงใจบ้าง ทำบ่อยครั้งเข้าก็สั่งสมไว้นานเข้าก็ส่งให้ผู้ทำได้รับความเดือดร้อนบางครั้งทำให้วิบัติเสียหายบางคราวทำให้เสียชีวิตไปเลยเหมือนคนที่บริโภคอาหารมีสารพิษเข้าไปตอนแรกๆก็ไม่รู้สึกตัวแต่นานเข้าบ่อยเข้าพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นจะค่อยๆ อ, ออกฤทธิ์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่างๆดังที่รู้เห็นกันอยู่เวลาเวณกรรมออกฤทธิ์ทำให้ผู้ทำเวณทำกรรมนั้นประสบอันตรายหรือได้รับความทุกข์วิบัติต่างๆเจ้าตัวมักไม่รู้ตัวว่าที่เป็นดังนี้เพราะผลเวนผลกรรมที่ตนทำไว้หรืออาจจะไม่ยอมรับความจริงข้อนี้กลับโทษโน่นโทษนี่ไปตามเรื่อง ด้วยเหตุดังเนี้ยจึงทำให้คนทั่วไปไม่อายชั่วกลัวบาปกันนักจึงได้ประกอบกรรมทำเข็นกันไปต่างๆโดยไม่กลัวเกรงอะไรเชื่อเถอะลูกเอ้ยเวรกรรมมีจริงอย่าได้ประมาทอย่าไปสร้างเวรกรรมไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเมื่อถึงกราวายานะเพราะว่าเวรกรรมนั้นให้ผล ความใฝ่ฝันลูกรักทุกคนย่อมเคยไฝ่ฝันกันมาโดยเฉพาะสมัยเป็นเด็กมักจะฝ่ฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่ความใฝ่ฝันเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่ใฝ่ฝันอะไรซะีอีกออกจะไม่ค่อยดีนะลูกความใฝ่ฝันนั้นเป็นการจุดประกายแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้คนเรามีความมุม่มานะมีความมุ่งมั่นพยายาม เพื่อให้ความฝ่ฝันเป็นความจริงคนที่ใฝ่ฝันแรงกล้ามักจะแข็งแกร่งและเป็นนักสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆคนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตนั้นส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากความใฝ่ฝันทั้งสิ้นตรงกันข้ามคนที่ไม่คิดใฝ่ฝันอะไรเลยมักจะเป็นคนเฉื่อยชาขาดชีวิตชีวาเพราะขาดแรงกระตุ้น ทำอะไรก็ทําแบบไร้จุดหมายปลายทางจึงได้รับความสําเร็จน้อยหรือไม่ก็ล้มเหลวไปเลยแต่ความใฝ่ฝันของคนเรานั้นก็มีข้อควรระวังอยู่คือหากความใฝ่ฝันนั้นเป็นเพียงความเพ้อฝันหรือความทะเยอทะยานก็อาจจะทําให้ผิดหวังเสียแรงเปล่าได้หรืออาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทําในสิ่งที่ผิดเพื่อ ให้สำเร็จตามที่ต้องการก็ได้ดังนั้นเมื่อเราจะใฝ่ฝันเรื่องอะไรก็ควรที่จะมีขอบเขตดูความเป็นไปได้และดูฐานะภาวะของตัวคูบคู่ไปด้วยหากใฝ่ฝันจนเกินวิสัยหรือเกินภาวะของตัวก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือว่าความทะเยอทยานไปได้เมื่อเป็นเรื่องเพ้อฝัน โอกาสที่จะสมหวังก็มีน้อยเมื่อไม่สมหวังก็อาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ในชีวิตได้ถึงกระนั้นก็ตามเราควรสร้างความใฝ่ฝันไว้เพราะสิ่งที่ใฝ่ฝันนั้นจะเป็นเหมือนจุดหมายในการดำเนินชีวิตให้เราเป็นเป้าหมายให้เราเดินไปหาดีกว่าเดินโดยไร้จุดหมายไร้ทิศทางสำคัญอย่าให้ความใฝ่ฝัน เป็นเรื่องเพอ้อฝันไปสุขภาพร่างกายลูกรักคนเราทุกคนย่อมต้องการมีอายุยืนมีความไม่มีโรคภัยด้วยกันทั้งนั้นแต่อายุจะยืนและโรคภัยไม่มีได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลสุขภาพร่างกาย ไม่ใช่เพียงแต่ต้องการแล้วก็ปล่อยปละละเลยสุขภาพร่างกายให้เป็นไปตามยถากรรมคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีย่อมมีโอกาสจะมีอายุยืนและก็ไม่มีโรคภัยมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลลูกเองควรระวังสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีอย่าโหมทํางานหนักจนเกินไปจนร่างกายไม่ได้พักผ่อน อย่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทมหรือว่าปลนเปลือจนอิ่มน้ำสำราญจนเกินไปเพราะว่านั่นเป็นทางให้เกิดโรคได้ง่ายเป็นแล้วก็รักษายากในเรื่องการดูแลสุขภาพนี้ทำตามที่หมอแนะนำเป็นดีที่สุดเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รักษาจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดไม่หงุดหงิดง่ายไม่ทำงานหักโหมไม่ดื่มสุราไม่ติดยาเสพติดไม่อดนอนบ่อยดังนี้เป็นต้นเมื่อทำได้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงสู้กับโรคภัยได้และก็จะมีอายุยืนคนเราถ้ามีสุขภาพดีเสียแล้ว ก็เท่ากับว่ามีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองคล่องแคล่วว่องไวทำมาหากินได้สะดวกหากสุขภาพร่างกายอ่อนแอสามวันดีสี่วันไข้เท่ากับมีอุปสรรคใหญ่จะไม่สามารถต่อสู้กับการงานได้บางครั้งก็ทำให้ท้อทแท้ปล่อยวาง แล้วก็หมดอะไรตาอยากในชีวิตได้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีตลอดเวลาก็จะทำอะไรให้ดีขึ้นได้มากทีเดียวเลยลูกสุขภาพจิตใจลูกรักเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพเราก็มักจะนึกถึงแต่สุขภาพร่างกาย นึกถึงความแข็งแรงความไม่มีโรคของร่างกายความจริงสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับสุขภาพร่างกายจิตใจที่มีสุขภาพดีจะปลอดโปร่งแจม่มใสไม่คุนมัวไม่หงุดหงิดและไม่ฟุ้งซ่านซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่เครียดการรักษาสุขภาพจิตให้ดีจึงจำเป็นมาก สุขภาพจิตจะดีได้ด้วยการรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียสิ่งที่ทำให้อารมณ์เสียนั้นมีมากผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางความคิดบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเรามักจะรับอารมณ์ร้ายร้อนๆเข้าไว้ในจิตใจกันคนละมากมากและก็สั่งสมเก็บไว้เรื่อยเรื่อจนกลายเป็นกองขยะอารมณ์อยู่ในจิตใจ คนเราถ้ามีขยะอารมณ์อยู่มากสุขภาพจิตก็จะเสียไปมากคนที่มีสุขภาพจิตเสียมากก็มักจะมีอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัววิธีป้องกันไม่ให้สุขภาพจิตเสียก็คืออย่าไปรับรู้เรื่องภายนอกให้มากนะักหากจำเป็นต้องรู้ก็อย่าไปรับเอามาเก็บเป็นอารมณ์ทั้งหมด รู้ก็ทำเป็นไม่รู้เสียบ้างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างทำแบบนี้ท่านสอนไว้ว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูทั้งสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายเมื่อทำได้ดังนี้จิตใจก็จะปลอดโปรง่งเพราะปลอดมลพิษอารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเราไม่ใส่ใจเก็บออกมาเป็นอารมณ์สุขภาพจิตก็จะดีเพราะไม่เครียดไม่วิตกกังวลอะไรสิ่งแวดล้อมลูกรักคนเรานอกจากควรดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีแล้วสิ่งแวดล้อมก็สําคัญ ที่เราต้องดูแลให้ความสนใจเพราะสิ่งแวดล้อมจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราดีไปด้วยสิ่งแวดล้อมมีทั้งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองอากาศและที่เราสร้างขึ้นมาเองเช่นที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านสิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนให้คุณให้โทษแก่คนเราได้ทั้งสองทางถ้าเราดูแลและจัดการให้ดีก็ให้คุณถ้าเราดูแลจัดการไม่ดีก็ให้โทษดังนั้นลูกควรดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกเองและคนข้างเคียงโดยเริ่มตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ห้องนอนห้องครัวห้องน้ำจัดการดูแลให้สะอาดปราศจากกลิ่นและอับทึบอย่าให้รกรุงรังเป็นแหล่งเชื้อโรคบริเวณบ้านดูแลให้สะอาดปลูกไม้ดอกไม้ใบไว้ให้ร่มรื่นกําจัดแหล่งที่เป็นที่อาศัยของยุงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งขยะเศษอาหาร และสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำลาคลองไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่ารวมไปถึงการไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดเป็นมลพิษคือเกิดฝุ่นเกิดควันเกิดเสียงดังหรือเกิดกลิ่นเห ม, ม็นให้เป็นที่เดือดร้อนคนอื่นการดูแลรักษาการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีและไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายล้วนเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งสิ้น เมื่อจัดการสิ่งแวดล้อมดีบ้านก็น่าอยู่บริเวณบ้านก็จะสวยงามถนนหนทางก็จะร่มรื่นแม่น้ำลำคลองก็จะสะอาดบ้านเมืองก็จะปลอดมลพิษทั้งปวงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยลูกตรงกันข้ามถ้าเราไม่ดูแลไม่จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีมีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีลงทุกวันทุกวัน คนที่จะเดือดร้อนจริงๆเพราะถูกสิ่งแวดล้อมลงโทษก็คือตัวเรานี่เองละลูกอ่านตัวให้ออกลูกรักมีหลักในการพัฒนาตัวเองก้าวหน้าเบื้องต้นอยู่สามประการ ซึ่งขอบอกลูกไว้คืออ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นประการแรกอ่านตัวเองให้ออกหมายความว่าจะต้องศึกษาตัวเองสำรวจตัวเองเพื่อให้รู้จักภาวะที่แท้จริงของตัวเองคือจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาแค่ไหน มีสภาพอย่างไรมีกำลังมีเรี่ยวแรงเท่าไรที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักใจตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องอ่านตัวเองให้ออกเหมือนอ่านหนังสือต้องเข้าใจตัวเองให้ปลุกโปร่ปรงเหมือนคนเดินทางไกลดูแผนที่ออกอย่างปลุกโปร่ปรงเหมือนช่างสร้างบ้านดูแบบแปลนบ้านออกอย่างปลุกโปร่ปรงเะนั้น ในการดาเนินชีวิตหรือการดําเนินงานอย่างใดอย่างหนึง่งก็เช่นเดียวกับการเดินทางหรือการสร้างบ้านนั่นแหละอ่านตัวเองออกชัดเจนเท่าไรยิ่งดีชีวิตและงานก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีและความสาเร็จจะเกิดได้ง่ายและรวดเร็วไม่ผิดพลาดถ้าแม้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ไปทำงานอะไรก็จะเปะปะจับทางไม่ถูกเหมือนคนเดินทางโดยไร้แผนที่เหมือนคนสร้างบ้านโดยไร้แบบแปลนแม้จะไปทําได้ก็เอาดีไม่ค่อยได้ทั้งจะเสียเวลาเสียแรงและทุนรอนมากกว่าด้วยดังนั้นก่อนที่จะทํากิจการใดควรศึกษาตัวเองให้ท่องแท้จนอ่านตัวเองออก ชัดเจนก่อนค่อยทำความบกพร่องผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นเสียแต่เริ่มแรกบอกตัวเองให้ได้ลูกรักหลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สองคือบอกตัวเองให้ได้หมายความว่าตามปกติคนเรามักไม่ค่อยได้สอนตัวเอง หรือเตือนตัวเองกันสอนคนอื่นเตือนคนอื่นได้สารพัด ส, สอนให้เขาทำอย่างนั้นเตือนให้เขาปฏิบัติอย่างนี้สอนได้เตือนได้แต่พอถึงคราวตัวเองบ้างกลับไม่ยอมสอนไม่ยอมเตือนจึงได้เกิดผิดพลาดบกพร่องประสบทุกยากกันร่ำไปแท้จริงตัวเราเองนี่แหละที่สอนยากเตือนยากที่สุด ฝึกก็ยากดัดก็ยากดังนั้นท่านจึงเตือนใจไว้ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการธรรมดาของการทำงานย่อมเกิดผิดพลาดบกพร่องได้ แต่ละคนย่อมจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องกันได้ทุกคนแต่ื่อพบข้อผิดพลาดบกพร่องแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองว่าไม่ควรทำอย่างนั้นอีกมันเตือนตัวเองบ่อยๆก็จะทำให้คิดแก้ไขปรับปรุงงานปรับปรุงตัวเองให้ดีให้ถูกต้องเป็นทางให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไปได้ตรงกันข้าม หากคนอื่นเขาไม่เตือนไม่สอนและตัวเองก็สอนหรือเตือนตัวเองไม่ได้หรือไม่ยอมสอนไม่ยอมเตือนเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็คงกูไม่กลับแล้วมีแต่จะมุ้งหน้าสู่หายนะท่าเดียวน่ากลัวเสียจริงจริงลูกควรจะฝึกเตือนตัวเองไว้ให้เป็นประจำจะรอให้คนอื่นก็ามาเตือนนั้นเห็นจะไม่เข้าที ใครเขาจะมาคอยจำจี้จำชายเราเล่าเตือนตัวเองได้นั่นแหละเป็นดีที่สุดแล้วลกูกใช้ตัวให้เป็นลูกรักหลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สามคือใช้ตัวเองให้เป็นหมายความว่า คนเราต่างชอบให้คนอื่นนิยมยกย่องด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่จะมีคนรักนับถือและยกย่องนั้นจะต้องเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวคนขาดเสน่ห์จะมีใครมารักมานับถือเล่าวิธีสร้างสเสน่ห์ให้คนรักอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวเองให้เป็นนี่เองการใช้ตัวเองเป็นก็คือการกระตุ้นเตือนตัวเองให้ทำงาน และทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยตัวเองคิดทำงานเองคิดช่วยเหลือคนอื่นเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาใช้ไม่ต้องให้ใครมาสั่งถึงจะทำตัวเองเห็นเหมาะเห็นควรอย่างไรก็ทําไปเลยในเมื่อเห็นว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นประโยชน์ก็ทําไปการใช้ตัวให้เป็นนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวเองแล้ว ยังเป็นการสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองอีกส่วนหนึ่งด้วยคนที่ใช้ตัวเองเป็นอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นคนพัฒนาตัวเองคนอย่างนี้จะไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมอยู่เปล่าเห็นคนอื่นทำงานอะไรก็ช่วยได้ก็เข้าช่วยทันทีหากว่าลูกต้องการความสาเร็จและเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ต้องใช้ตัวเองให้เป็นแบบนี้ อย่าเน่งดูดายในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยน้ำใจอย่าเป็นคนแหลงน้ำใจอย่าเป็นคนเห็นแค่ได้ฝ่ายเดียวคนแหลงน้ำใจคิดเอาแต่ได้เขาเรียกว่าคนมีเสนียดไม่น่านับถือแต่เป็นคนน่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปสร้างสเสน่ห์ดีกว่าสร้างเสนีย์สร้างสเสน่ห์ น, นั้นไม่ยากนักดอก เพียงคอยเตือนใจตัวเองอย่าให้เป็นคนนิ่งดูได้ใช้ตัวเองให้เป็นเท่านั้นสเสน่ห์ก็จับไปทั้งตัวแล้ว ล, ลูกกตันยูคื อ, อยาชูกำลังลูกรักอันพ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนายิ่งนักที่จะเห็นลูกของตนเป็นคนดี มีความสุขมีความก้าวหน้าและไม่มีทุกข์ภัยเมื่อเห็นลูกได้รับความสำเร็จสมหวังอยู่เย็นเป็นสุขกันแล้วพ่อแม่ก็สบายใจหายห่วงแต่นั่นก็เป็นเพียงความสบายใจเท่านั้นหาได้เป็นเครื่องชูกำลังให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจและปราบปลืม้มไม้เครื่องชูกำลังหรือยาชูกำลังที่ทำให้พ่อแม่ทุกคน อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูลูกหลานของตัวเองนานๆก็คือความกระตันยูที่ลูกมีต่อพ่อแม่อย่างเดียวลูกที่ได้รับความสำเร็จก้าวหน้ามีเกียรติยศมีหน้ามีตาในสังคมสังคมยกย่องถ้าลูกคนนั้นไม่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่ของตนพ่อแม่ของเขาจะแช่มชื่นเบิกบานสักเท่าไหร่ ลูกที่ยากจนไร้เกียรติมีแต่ความกระตันยูรักพ่อรักแม่เชื่อฟังและดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ย่อมทำให้พ่อแม่ปลื้มใจและมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจมากกว่าลูกเอ้ยอันพ่อแม่นั้นถึงจะอดอยากปากแห้งถึงจะลำบากอย่างไร หากมีลูกที่กระตันยูรู้คุณคอยดูแลปรนิบัติใกล้ชิดคอยถามสุขทุกข์ทำสิ่งที่ดีงามไม่ขัดใจเท่านี้ก็ทำให้พ่อแม่อายุยืนได้แล้วลูกตรงกันข้ามพ่อแม่ที่มีลูกอกตัญยูไม่รู้คุณมีลูกที่ไม่ดูดำดูดีทอดทิ้งให้ว้าเวมีลูกอย่างนี้ก็เหมือนไม่มี นับว่าโชคร้ายเป็นของพ่อแม่ทีเดียวพ่อแม่ที่มีลูกอย่างนี้จะท้อแท้ซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ความอากัญญูของลูกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพ่อแม่ส่วนความกัญญูของลูกเป็นทั้งยาบำรุงหัวใจเป็นยาบำรุงกำลังและเป็นยาชูกำลังขนานเอกสำหรับพ่อแม่ที่แท้ทีเดียว สำหรับพ่อแม่แท้ทีเดียวปั้นน้ำเป็นตัวลูกรักมีความประพฤติอย่างหนึ่งที่คนบางคนชอบทำคือการปั้นน้ำเป็นตัวได้แก่ปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างเช่นเพื่อยกตัวเองเพื่อทำลายคนอื่น หรือเพื่อให้คนอื่นแตกแยกกันซึ่งเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องจริงไม่เป็นความจริงแต่ผู้พูดนั้นมีวิธีการพูดชักจูงให้คนอื่นเชื่อถือดีหรือบางครั้งผู้ปั้นเรื่องก็เป็นคนมียศมีเกียรติจึงทำให้คำพูดนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือทั้งที่เรื่องที่พูดปั้นขึ้นมานั้นไม่อาจพิสูจน์ได้หรือน่าเชื่อได้ว่าเป็นจริง กลายเป็นว่าผู้รับฟังเชื่อคนพูดเป็นสำคัญเมื่อเชื่อคนพูดแล้วเรื่องที่เขาพูดออกมาก็ปล่อยเชื่อไปด้วยเรื่องอย่างนี้ทำลายคนมามากต่อมากแล้วเพื่อนต้องแตกจากเพื่อนสามีภรรยาต้องทะเลาะหรือแยกทางกันไปเจ้านายกับลูกน้องต้องบาดหมางกินใจกันคนอยู่ด้วยกันมองหน้ากันไม่สนิทเหล่านี้ มีสาเหตุเนื่องมาจากผลพวงของการปั้นน้ำเป็นตัวนี่เองเลือกแต่ที่ดีลูกรักมีสุภาษิตเก่าบทหนึง่งความว่าอย่ารักเหากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ำอย่ารักถ้ำกว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวัน สุภาษิตบทนี้เป็นข้อเตือนสติสอนใจให้รู้จักเลือกในสิ่งที่ดีกว่าและก็มีประโยชน์กว่าคือผมนั้นดีกว่าเหาน้ำดีกว่าลมเรือนดีกว่าถ้ำตะวันดีกว่าเดือนในเรื่องของการเลือกนี้ลูกอาจจะได้ประสบสักวันหนึ่งคือจะต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจนั้นก็เป็นความลำบากใจอย่างหนึง่งการที่จะตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องของความฉลาดและประสบการณ์คนฉลาดนั้นก่อนที่จะเลือกเขาจะพิจารณาประเมินค่าและน้ำหนักเสียก่อนว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดเลวกว่ากัน และรู้จักตัดสินใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรเขาจะรอบคอบไม่ใจเร็วด่วนได้คิดหน้าคิดหลังก่อนตัดสินใจเสมอเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงเลือกไม่ค่อยผิดพลาดรงกันข้ามผู้ไม่ฉลาดมักด่วนตัดสินใจเลือกไม่พิจารณาให้ทวนทีก่อนมองไม่ออกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลว จึงผิดพลาดบกพร่องอยู่เสมอข้อนี้ลูกควรระวังเอาไว้ให้ดีถือเป็นคติโบราณข้างต้นไว้เป็นไม่เสียหายไม่ขาดทุนแน่ลูกแต่ถ้าลูกใจเร็วด่วนได้นอกจากจะไม่ได้ดีแล้วยังจะพาให้เสียใจเมื่อเลือกผิดอีกด้วย เพื่อนแท้ลูกรักคนเราต้องมีเพื่อนจะอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ลูกเองก็มีเพื่อนคำว่าเพื่อนนั้นหมายความลึกซึง้งยิ่งถ้าเป็นเพื่อนสนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนเกลอหรือเพื่อนซีด้วยแล้วอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกสนิทแนบแน่นยิ่งกว่าการเป็นพี่น้องเสอีกเพราะอาจตายแทนกันได้แต่เพื่อนที่นับว่าประเสริฐที่สุดนั้น ก็คือเพื่อนแท้อันเพื่อนแท้นั้นคือเพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งในยามทุกยากหรือในยามตกต่ำยังไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำเหมือนเดิมหรือบ่อยกว่าเดิมดังนั้นเมื่อต้องการจะคบหากันกับใครเป็นเพื่อนแท้ก็จำต้องดูให้แน่นอนก่อนว่าเขาเป็นเพื่อนประเภทใดพอที่จะเป็นเพื่อนแท้ ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนด้วยกล่าวคือจะต้องให้ความสำคัญในความเป็นเพื่อนให้เกียรติแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนได้ดีเมื่อเพื่อนเพลียงพราหรือประสบความล้มเหลวอย่างใดอย่างหนึง่งต้องแสดงความเห็นใจให้กำลังใจและไม่ทอดทิ้ง หากเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ควรเฉยเสียไม่ซ้ำเติมเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นควรเห็นอกเห็นใจมากกว่าจะไปซ้ำเติมหรือที่จะทอดทิ้งเพื่อนซ้ำเติมเพื่อนหรือคบกันเพราะผลประโยชน์นั้นเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เป็นได้ก็เพียงคนรู้จักคุ้นเคยกันเท่านั้นอย่าว่าแต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เลยแม้จะถือว่าเป็นเพื่อนก็ยังยาก เมื่อต้องการเพื่อนแท้ก็ต้องแสดงความเป็นเพื่อนแท้แก่เพื่อนก่อนตัวเองเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนไม่ได้ใครเล่าจะยอมมาเป็นเพื่อนแท้ของเรา